แนะนำบทกอฟิดบทกอฟิดเป็นบทมักกียะมี 85 องค์การบทนี้เริ่มด้วยการสรรดิ์ดีคุณลักษณะอันดีงามของอัลเลาะห์และสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้เผยเห็นถึงการโต้เถียงของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์ทั้งๆที่สัจธรรมนั้นได้ปรากฏอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขาแล้วขณะนั้นก็มีนักโต้เถียง และบรรดาผู้ยะโซก็ยังโต้เถียงและแสดงอาการดิ่งยะโซอยู่บทได้เผยเห็นถึงจุดจบของประชาชาติในอดีตซึ่งอัลเลาะห์ได้ทำลายล้างพวกเขาด้วยเดชานุภาพของพระองค์โดยไม่มีมนุษย์คนใดรอดพ้นไปได้ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ากลัวนี้ก็ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของมาลาอิกะห์ ผู้แบกบัลลังก์ในการวิงวอนขอของพวกเขาแก่ผู้ที่ยำเกรงและกลับเนื้อกลับตัวบทนี้กล่าวถึงภาพลักษณ์แห่งวันอาคิเราะห์และความน่ากลัวของวันนั้นโดยที่ปวงบ่าวจะถูกมายืนต่อหน้าพระผู้ทรงอํานาจเพื่อการสอบสวนความหวาดกลัวและความสะทกสะท้านได้ปกคลุมพวกเขา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 ได้เรียกร้องเชิญชวนฟิรเอออนสู่การอีหม่านแต่ฟิรเอออประสงค์ที่จะฆ่ามูซาและบริวารของเขาโดยเกรงไปว่าการอีหม่านจะแพร่กระจายไปท่ามกลางหมู่ชนของเขาเรื่องนี้ได้ปรากฏขึ้นมาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อได้มีการกล่าวถึงเรื่องของมูซาและฟิรเออนั้นก็คือปรากฏการของชายผู้ศรัทธา ที่มาจากวงวานของฟิรอาวน์ซึ่งซ่อนการศรัทธาของเขายอมสารภาพต่อสัจธรรมด้วยความนอบน้อมและระมัดระวังแล้วด้วยการเปิดเผยและการประกาศอย่างชัดแจ้งเรื่องได้จบลงด้วยความหายนะของผู้ละเมิดหญิงยัสโซด้วยการจมน้ําตายในทะเลพร้อมกับบริวารและสมุนของเขาและด้วยความรอดพ้นของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย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 โดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพแห่งการหลงลืมหลงระเริงบทนี้ถูกขนานนามว่ากอฟิรเพราะอัลเลาะห์ทรงกล่าวถึงลักษณะอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันสวยงามของอัลเลาะห์ในตอนต้นของบทและได้กล่าวซ้ําถึงการอภัยในการเรียกร้องของชายผู้ศรัทธาว่าขณะที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกท่านไปสู่พระผู้ทรงอํานาจผู้ทรงอภัยอย่างเด็ดขาด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 تاب من الله العزيز العليم คํานี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลเลาะห์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้ออฟิริซดาบิวากาบิลตาวบชะดีดอัลอิกาบบิตาวลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอิลัยฮิลมะศีรผู้ทรงอภัยในความผิด และทรงรับการขออภัยอโหสิกรรมผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความโปรดปรานไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ยังพระองค์เท่านั้นที่เราจะกลับไปนายยูจาดีลูฟีอายาติลาฮิอิลลัลลาดีนกัฟะรุฟะลายะฆรุรกะตัลลุบุมฟิลบิลาดไม่มีผู้ใดจะโต้เถียงเกี่ยวกับองค์การต่างๆของอัลเลาะห์ นอกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นอย่าได้ให้การวางมาดของพวกเขาในหัวเมืองต่างๆเป็นที่หลอกลวงแก่เจ้านายเค้าบตกบละฮุมกอมูนูฮิวัลอะฮซาบมินบะอ์ดะฮุมวะฮัมมาตุลลุมมะตินบิรัสูลิฮิมลิยาคุด ਤ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي ประการหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของโนอาห์และพลพรรคต่างๆหลังจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วและทุกๆประชาชาติได้ตั้งใจเพื่อจะทำลายล้างรอซูลของพวกเขาและโต้เถียงด้วยความเท็จเพื่อลบล้างความจริงให้สูญสิ้นไป ดังนั้นข้าจึงได้เอาโทษพวกเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างการลงโทษของข้าอ وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار และฉะนั้นแหละประกาศิตแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้สมจริงแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาเป็นชาตินรกแน่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 تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم بندาผู้แบกบัลลังก์และผู้ที่อยู่รอบๆบัลลังก์ต่างก็แซ่ซ้องด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและศรัทธาต่อพระ และขออภัยโทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาโอ้พระผู้อภิบาลของเรา